แนะนำบทอัลอินชิเกาะฟบทอัลอินชิเกาะฟเป็นบทมักกียะห์มี 25 องค์การบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงภาพลักษณ์ของโลกอาคิเราะห์โดยวาดภาพให้เห็นถึงความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้นในจักรวาลขณะที่วันอวสานเกิดขึ้นและบทนี้ได้กล่าวถึงการสร้างมนุษย์และการที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยอย่างชีพและความเป็นอยู่ของเขาเพื่อนําไปเสนอในวันอาคิเราะห์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 แล้วมันก็ว่างเปล่าและมันได้เชื่อฟังพระผู้อภิบาลของมันและมันจําต้องทําเช่นนั้นโอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงเจ้าต้องพากเพียรไปสู่พระผู้อภิบาลของเจ้าอย่างทรหดอดทน และเจ้าจึงจะพบพระองค์อัมมามันอูติย <tricream> <mem> <build> وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ لَسَوْفَ يُظْهِرُهُ وَيَصْلَى سَعِيرًا وَلَكِنْ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا แท้จริงเขาเคยร่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขาในโลกนี้อินนะฮุซันนัลลัยยหูรแท้จริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมาหาอัลเลาะห์อีกเป็นอันขาดบะลาอินนะร็อบบะฮูกานะบะซีร่าเพิ่งรู้ทอดว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอซะลาอุกซิมุบิชชะฟะก ข้าขอสาบานด้วยยามตะวันทอแสงวันและ الليل และเมื่อสุกและพระจันทร์เมื่อมันเต็มดวงแน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่งซะมาละฮุมลายูมินูนวะอิซากุริอะอะลัยฮิมอัลกุรอานูลายัสญุดู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 สำหรับพวกเขาจะรับการตอบแทนอย่างไม่มีสิ้นสุด